เรานี้ได้ทําที่พึ่งให้แก่ตนเสร็จแล้วพระองค์ทําที่พึ่งคือศีลให้พระองค์เสร็จแล้วทำที่พึ่งคือสมาธิทำที่พึ่งคือปัญญาวิมุตติวิมุตติญานนณทัศนะถึงฝั่งแห่งอมตะถึงฝั่งแห่งชาติชราและมรณะเสร็จแล้วพระองค์มีที่พึ่งแล้วพระองค์เข้าถึงโพธิปัจจะธรรมที่พึ่งได้จริงนําออกจากทุกอย่างแท้จริงเสร็จแล้วดูก่อนทิกสูตทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท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 จงเป็นผู้มีความนำริคือเจริญกุศลสังคปะให้ตั้งมั่นด้วยดีรักษาจิตของตนนั่ะคำว่ารักษาจิตเนี่ยเป็นยังไง ร, รักษาจิตรักษาจิตที่เป็นอกุศลไม่ให้อ่าที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดระวังเอาไว้อกุศลเหล่าใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ภาคเพียรที่จะกําจัดเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศลลกุศลธรรมเหล่าใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้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 เพราะผู้ใดจะเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระหันตรัตไปแล้วนี้ผู้นั้นจักละชาติสงสารผู้นั้นจักละการเกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรฉ า, านเป็นต้นจะนะละชาติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วทมที่สุดแห่งวัฏฏุกได้ในที่สุดก็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 อันนี้แหละเป็นคุณธรรมที่นําออกจากทุกที่พระองค์เลือกเฟ้นเลือกสรรคัดไว้อย่างเต็มที่จริ ง, รงๆแล้วการศึกษาพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยเนี่ยนะจะเป็นปิฎก3เนี่ยนะหรือนิกาย5คําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9คําที่พระองค์สอนทั้งหมดเพื่อให้สติปัฏฐาน4ีนั้นเจริญยิ่งๆ่งขึ้นนั่นแหละ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 กายานุปัสสนากิบภพะส4บัพ่พะเวทนานุปัสสนาเวทนาเก้าจิตธรรมะอีก5้หมวดแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยแสดงให้มากเพื่อสติจะได้เกิดมากเนี่ยนะคอว่าการกระจายฐานความรู้ทั้งหมดเพื่อให้ความรู้เจริญบริบูรณ์การขยายฐานสติเพื่อให้สติเกิดได้บ่อยแล้วก็เกิดได้มากๆปริมาณของสติจะได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นั่นเองเนี่ยนะ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 แต่ขณะเดียวกันถ้าไม่ฟังคำของพระองค์แล้วเราจะเพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรการฟังให้มากเรียนให้มากอะไรให้มากเป็นต้นก็เพื่อให้โพธิปัจจยธรรมเหล่านี้เจริญบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้ในข้อ109ครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วถือบาทและจีวร เข้าไปบินธบนะัตณกรุงไพราลีสเสด็จเที่ยวบินธบัตในกรุงไพราลีภายหลังพัดเสด็จกลับจากบินธบัตเสร็จแล้วก็ทอดพระเนตรกรุงเวสาลีเป็นนาคาวะโลกนะนาคาวะโลกว่า น, นาคาวะโลกเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสกับท่านท่านนนว า, อ, านอนนการเห็นกรุงเวสาลีของตถาคตครั้งนี้จะเป็นการเห็นครั้งสุดท้าย แปล ว, ว่าจาักขูวิญญาณที่ไหลเห็นขณะนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายมาเถิดอนน์เราจะไปยังบ้านพันดพันดกคามเถิดก็ชักชวนพระอนน์ไปบ้านพันดักคามคำว่านาคาวโลกิตังเนี่ยนะที่เรียกว่าดูอะไรนะเหมือนอย่างว่ากระดูกของมหาชนเนี่ยเอาปลายจดปลายตั้งอยู่เหนืออธิ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 ก็เปรียบเหมือนว่าถ้าเป็นไฟรถจะให้สว่างข้างหลังอะ่ะสว่างเท่าข้างหน้าทำไมให้สว่างข้างหลังทําไงก็กลับรถซะฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ต้องเอี่ยวพระวรากายไปฉันนั้นแต่พอพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระนครก็เกิดความคิดว่าจากทัศนามองดูกรุงเวสาลีแผ่นมหาปฏิพีมเหมือนจะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาหลายแสนโกดกับไม่ได้ทรงกระรทมคือเอี้ยวพระศอแหลดูเปรียบเหมือนล้อดินเพราะฉะนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนแป้นเนี่ยนะก็ยืนในที่กลมๆแลนะ้ก็หันกลับให้ดินเนี่ยหันกลับให้พระองค์ก็บ่ายพระพักมองดูกรุงเวสาลีถามว่าการทอดทัศนากรุงเวสาลีไม่ใช่เป็นปัจฉิมทัศนะอย่างเดียว แม้กระทั่งดูกรุงสาวัตถีกรุงรัชเครือเมืองนาลันทาบ้านปาตลิคามโกติคามนาที่กะขามเวลาที่ออกจากที่นั้นเนี่ยนะออกจากเมืองทุกเมืองบ้านทุกบ้านมันเป็นการดูครั้งสุดท้ายทั้งหมดไม่ใช่หรือทําไมเมืองภัยาลีจึงเป็นการทัศนาแบบที่เรียกว่านาขาวโลกเรียกว่าเป็นการดูแบบปัจฉิมทัศนะดูครั้งสุดท้าย บอกว่าที่อื่นๆเนี่ยนะไม่เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อะไรการดูเมืองไพศาลีรัชเครือนาลันทาปาเตลิคามโกติคามนาติกค า, ามเนี่ยนะไอการดูที่นั้นเนี่ยไม่น่าอัศจรรย์ก็เลยไม่เรียกว่าเอี้ยวพระวรกายดูแต่ส่วนเจ้าลิชวีที่กรุงเวสาลีเนี่ยนะบัดนี้ใกล้ความพินาศเข้าไปแล้วพรรษาสุดท้ายที่พระองค์ไปจําอยู่ที่กรุงไพศาลีก็เหมือนก็ว่าอย่าศึกชั่วคราวเรียกว่าระงับศึกชั่วคราว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 เพราะว่าไม่นานเมืองนั้นจะพินาศย่อยยับเพราะกองทัพพระเจ้าอาชาติศัตรูยกไปฆ่าสัเกือบตายหมดเลยเนี่ยนะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าตายทั้งหมดสัทีเดียวแต่ก็ยังพอเหลือเพราะตอนหลังๆก็ยังมีบ้านเมืองอีกน ะ, นะบ้านนั้นเมืองนั้นก็ยังแผ่ขยายตลอดมาชั่วร้อยกว่าปีสังขยาณาครั้งที่สองก็ทําที่เมืองไผ่าลีนั่นเองนี่ต่อไปอีกเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ตรัส ด, ดูเออเหลียวดูเมืองไผ่สาลีแล้ว กตรัสกับท่านพระนนท์ครั้งนั้นพระองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสองมูใหญ่เสด็จไปถึงบ้านพันดะคามแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หนบ้านพันดะคามนั้นณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทำสี่ประการธรรมะสี่ประการนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะไม่รู้แจ้งไม่เข้าถึงไม่แทงตลอด ทำสี่ประการนี่แหละเราและพวกเธอจึงต้องเร่ร่อนนะเที่ยวไปเร่ร่อนแล้วก็ท่องเที่ยวไปแบบเคยเห็นคนเร่ร่อนไหมนั่นแหะทนะ่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้ทำสี่ประการนั้นเป็นไนะเพราะเราทั้งหลายไม่รู้แจ้งแทงตลอดศีลอันเป็นอริยะหรืออริยะศีลเนี่ยนะ ส, สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะที่เป็นอริยะเนี่ยนะ เราและพวกเธอจึงต้องเร่ร่อนเที่ยวไปสิ้นกาลนานเพราะไม่รู้ศีลที่เป็นโลกุตระนี่ยนะอริยะศีลสัสามมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะไม่แทงตลอดคุณธรรมเหล่านี้นี่แหลจึงต้องเร่ร่อนเที่ยวไปสิ้นกาลนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดสมาธิอันเป็นอริยะคือสัมมา วายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะไม่แทงคุณธรรมอันนี้แหละเราและพวกเธอจึงต้องเร่ร่อนเที่ยวไปสิ้นกาลนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดปัญญาอันเป็นอริยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยมรรคเนี่ยนะจนถึงระดับอรหัตตมรรคเราและพวกเธอจึงต้องเร่ร่อนเที่ยวไปสิ้นกาลนาน เพราะอันนะเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดวิมุตต์อันเป็นอริยะก็คืออรหัตผลวิมุตต์เนี่ยนะเพราะไม่รู้แจ้งอรหัตผลวิมุตต์นี่แหละเราและพวกเธอจึงต้องเร่ร่อนเที่ยวไปสิ้นกาลนานดูก่อนพี่สูตทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดศีลอันเป็นอริยะสมาธิอันเป็นอริยะปัญญาอันเป็นอริยะวิมุตต์อันเป็นอริยะแล้ว ภาวะตัญหาตันหาที่นำเกิดในพบใหม่เราก็ถอนเสียแล้วตันหาอันจะนำไปสู่พบตัญหานั้นก็สิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีต่อไปเพราะฉะนั้นอะไรเปรียบเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ปกติเพาะขึ้นแต่คั่วสุกหมดแล้วคั่วซะจนหมดสภาพแล้วเพาะปลูกต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะเมื่อพระผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคศสัสดา ได้ตรัดวิยากรณะาสิทธิ์นี้แล้วจึงตรัดคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าธรรมะเหล่านี้คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตยอันยอดเยี่ยมคือระดับอริยะเนี่ยนะโลกุตระเนี่ยอันพระโคโดมผู้มียศตรัสรู้แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงบอกธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตยแก่พิกสุ์ทั้งหลาย การแสดงศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์ก็เพื่อความรู้ยิ่งนะก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์เนี่ยเมื่อขยายออกไปแล้วก็คือโพธิปัจจะยยธรรมนะศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตต์อันนี้ขยายออกมาแล้วก็เป็น ส, มมสติประธานสัมมาประธานอิทิบาตอินทรีพล ะ, ระโพชงและองค์มัตพระองค์แสดงทั้งหมดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพราะาศาสดาผู้ทําซึ่งที่สุดแห่งวัตทุก คือพระองค์เจริญคุณธรรมเหล่านี้เสร็จแล้วอ่ะพระองค์เลยทำที่สุดแห่งทุกได้พระผู้มีจักษุปริิพพานคือดับกิเลสได้เสร็จสิ้นแล้วเพราะความที่พระองค์แทงตลอดอริยศีนอริยสมาธิอริย ป, ปัญญาอริยวิมุตยอันยอดเยี่ยมนี้แหละพระองค์ก็เลยดับราคะโทสะ โ, โมหะได้แล้วเนี่ยนะเรียกว่าสอุ ป, ปาที่เสสนิพานใน ว, ว่าดับกิเลสได้เสร็จสิ้นแล้ว